ภาวนาเป็นไงเดินมาใกล้ๆวานส่งกันบ้านกับอาจารย์นะคะคือบอกว่าโหเป็นคนใจลอยแล้วก็หลงเยอะค่ะแล้วก็เวลานั่งก็จะซึมแล้วก็หลับค่ะ<อ> แ, แล้วท่านก็บอกว่าไม่ให้นั่งเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดนิสัยซึมแล้วก็จะไม่ดีนะคะวันก็เลยเปลี่ยนแอนใหม่ไปเดินเดินจงกลมทั้งวันนะคะ<อ>แล้วก็พยายาม หลงรู้หลงรู้เออไปทำเลยนะแหละถูกแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้พอจะเข้าที่เข้าทางแล้วใช่เฮ้ยจะเข้าที่วันเดียวเหรอไปทำอีกไ ป, ไ, ปได้อ๋อเห็นไหมโมหาเราเยอะต้องกระดุกกระดิกไว้เนะเอาหนัวโมหามันมากเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกไปเรื่อย เคลื่อนไหวเดินจงกลมเสียเวลาเปล่าๆก็ขวาดบ้านไปหางานทำเคลื่อนไหวอย่างนั้นะได้ได้ประโยชน์เนมาที่นี่ก็มีสิทธิ์ประกอบการตดสิน ต, ออวตน่ว่าก็เมื่อวานก็มีความีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วที่ม า, ามทาทงทานทาีเราพัฒนาตอนทีนท่เขามาบานที่เราทแล้วก็ การเรียนผ่าอาจารย์พอดีว่าคราวที่แล้วผ่อาจารย์ชี้แนะว่าให้ให้ดูว่าใจเราไห้เห็นวากายไม่ใช่ของเราจะผ่านหรือไม่แน่ใจว่าเราควรจะไปนำคิดนำหรือควรจะเก็บคิดนําก่อนถ้า<ำ>แรกๆอ่ะใจมัน น, นิ่งเฉยๆอยู่ประคองไว้เนี้ยครูบาอาจารย์จะให้คิดพิจารณาเป็นการกระตุ้นให้จิตมันทํางานไม่ติดเฉยนะ เรคิดพิจารณาไปพอสมควรแล้วต่อไปจิตมันเดินปัญญาเองเหมือนไม่ต้องคิดแต่มันเห็นนี่จริงว่ากายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราก็คิดว่าตัวเองสุีสร้าแล้วก็กำลังอย่างไม่ค่อยัอถูกก็เราทำเอาทูงสร้านก็พุโทโธไปหายใจไปอ กำลังไม่พอก็ทำสม่าเสมอกาลังมันก็จะเพิ่มขึ้นของฟรีไม่มีทุกอย่างต้องลงทุนลงแรงต้องทำเอาเท่านั้นลุกก็ไม่มีนะบังเอิญคำว่าบาังเอิญคำว่าโชคดีไม่มีในศาสนาพุทธทุกอย่างเป็นเรื่องของกรรมทั้งการกระทาของเราเราสะสมความฟุ้งซ่านมันก็ฟุ้งซ่าน สะสมสติมันก็มีสตินะต้องทำูิที่ทำนะ <laughs> <may> ขยันนะอย่าเลิกอย่าเป็นจะตายไงทุกวันต้องปฏิบัติต้องอะไรนะ บางทีถ้าถ้ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรที่ากแทรกแแทรอยากให้มันทรู้ทันใจที่อยากแนะทรกแซทจริงๆหนะ้าที่เราคอยรู้ทันความปรุงแต่งนะรู้ทันความปรุงแต่งของใจแต่ปรุงชั่วก็รู้ปรุงดีก็นี้พยายามจะไม่ปรุงก็รู้เราไม่ต้องไปทำอะไรรู้ทันไปเรื่อย ถึงเราจะปรุงให้ดีวิเศษแค่ไหนนะมันก็ยังเกิดจากอาวิชามันเกิดจากความไม่รู้ท่องแท้ในกายในใจอย่างที่เราปรุงดีเพราะเราอยากให้จิตใจของเราดีแต่ถ้าจริงๆเราเห็นความจริงนะจิตจิตมันไม่ใช่เราความปรุงแต่งทั้งหลายแล้วนะก็เป็นของส่วนเกินอยากให้มันดีมันไม่ใช่เรา ไม่ต้องไปพยายามปรุงมันมันดีก็รู้มันชั่วก็รู้ได้ยินไหมได้ยินไหมพวกข้างหลังได้ยินไหมได้ยินนะธรรมชาติขึ้นหมับหลวงพ่ดีต้องฝึกนะให้เป็นธรรมชาติตัวปลอมเราเยอะดูออกยังตัวปลอมไม่มีประโยชน์เลยหลอกตัวเองหลอกคนอื่ น, น, นนะดูว่าจริงๆเราเป็นยังไง อย่างเราบิวขึ้นมาล้วเมคขึ้นมาอะไรก้รู้ทันไะนะการที่เราจะต้องคอยปรุงแต่งตัวเองมันเป็นภาระมันเป็นความทุกข์เป็นงานทางใจที่ไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าเรารู้เท่าทันลงไปนะนี่มันปรุงแล้วนี่มันปรงแล้วกลับไปใจก็พ้นจากความปรุงแต่ง เคยได้ยินไหมอ น, นิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปัชิ ต, ตวานิรุชันติเตซังมูปัสโมสุโคเวลาที่พระไปชักมกกังกรุณะไปได้เราไม่ได้ยินถึงได้ยินเราก็ไม่รู้คําแปลก็ไม่ได้ประโยชน์ที่จริงเป็นบทที่ดีมากๆเลยนอกสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป สังขารทั้งหลายสงบจะได้เป็นสุขสังขารก็คือความปรุงของใจเรานี่แหละเมื่เืองปรุงขึ้นมาเราก็เชื่ออย่างนี้ดีอย่างนี้สุกเลยที่จริงเป็นภาระของใจทั้งหมดเลยอยากทำตัวเป็นคนดีเป็นภาระไหมเป็นภาระมากเลยนะแต่ไม่ใช่ให้ชั่วนะชั่วมันก็ปรุงช่วอีกเลยนะแค่รู้ทันเท่านั้นแหละ คล้ายๆเราลอกเปลือกตัวเองฉีกน้ากากตัวเองไม่ต้องให้ใครมาฉีกฉีกของเราเองลอกเป็นชั้นๆไปนะนี่ของปลอมนี่ก็ของปลอมรู้ไปเรื่อยตร้งตังท่านั้นนะมันจะมีภาวะเหมือนแล้วที่เราลอกต้นกล้วยลอกลอกลอกจน ถ, ถึงกราบสุดท้ายนะแต่พบว่าจริงๆแล้วมันว่างเปล่าตัวเราไม่มีมันว่างเปล่าเมื่อกีนมีต้นกล้วยไหม มีมั้รู้ไหมว่ามันลอกออกมาเป็นกาบได้เดือออกมาเป็นชิ้นชิ้นได้ต้นมันมันเหมือนมีต้นอยู่ที่จริงมันไม่มีต้นตัวตนเราเนี้ยเหมือนกันเหมือนว่ามีตัวตนพอเราลอกความปรุงแต่ออกไปเรื่ยๆมันว่างเปล่าตัวตนไม่มีหรอกเพือนบางคนใส่หน้ากากหนามากนะ สอนไม่ไหวหลวเพาะก็ปล่อยถ้าไปบอกให้มันลอกหน้ากากมันโกรธเอาบางคนอยู่ในข่ายที่ยังเรียนได้หลวงพ่าจะสอนใ ห, ให้ดูตัวจริงของตัวเองดูตัวจริงของตัวเองไปได้ให้มันดีขึ้นองเนี้ยตอนเนี้ยนนดีกว่าแต่กี้เห็นไหมตอนเนี้ยริ่มปรุงอีกแล้วริ่มปรุงอีกแล้วมัวแต่หวงกาบกล้วย เออจิตที่ดีคือ จ, จิตตรงนี้นะพอจะจำได้ป่ะจำได้แต่ทำไม่ได้ห้ามทำนะทาไม่มีเลยทำแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นทำแล้วไม่ใจ่เป็นจิตปรุงแต่งไม่ใช่จิตรู้จิตรู้ก็จิตปรุงแต่งนะไม่ไม่เหมือนกันจิตรู้ก็คือรู้ทันความปรุงแต่งแต่จิตรู้เป็นความปรุงแต่งเหมือนกันนะเป็นความปรุงแต่งขั้นในสุดเลย ชั้นในสุดเป็นความปรุงแต่งที่ละเอียดที่สุดเลยวางจิตรู้ได้เข้าถึงธาตุธาตุรู้จิตนั้นมันเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ถ้าเราลอกเปลือกสุดท้ายของมันออกแล้วนะวางตัวผู้รู้ลงไปที่จะเข้าถึงธาตุรู้ ถ้าดูนี้ไม่ตายครูบาอาจารย์เี่ยผเป็นผู้รู้ผู้ไม่ตายเป็นอมตะธาตุอมตะธรรมเตรงนี้พวกเรียนอะพี่ทำมาไม่ถึงเขาเรียนถึงแค่จิตที่เป็นขันยังจะไม่เข้าใจเียงังสมเด็จญาณท่านเข้าใจท่านเข้าถึงเข้าถึงอมตะธาตุ รียกอะไรก็ได้ตัวนี้คนจีนในเซนเนะจะเรียกว่าพุทธภาวะเป็นอนมตะธาตุดวงตามหาบัวถ้าเรียกว่าธรรมธาตุสมเด็จญาถ้าเรียกวิญญาณธาตุหลวงปู่เทสเรียกว่าใจหลวงปู่ดูลเรียกว่าจิตหนึ่งท่านพุทธธาตุเรียกจิตเดิมแท้ ุปูปูบุรดาเรียกว่าใจเดียวที่จริงเป็นอมตะธาตุาอมตธรรมเรังนั้นที่เราภาวนานะท่านบอกว่าพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเราจะไม่เข้าใจว่าพ้นตายได้ยังไงก็ เ, เห็นตายทุกองอะพระพุทธเจ้าก็ตายไอ้เนื้อขันมันตายนะ ตัวธาตุตัวนี้ไม่ได้เกิดไม่ได้ตายเอะเร่ังบังคับอยู่ดูออกเรา เ, ออเพ่งไม่เริ่มอยากดีเวลามันเพ่งมันบังคับอะเราดูไปที่ต้นต่อของมันทําไมต้องเพ่งเพราะมันอยากดีอยากรู้ชัดๆอยากรู้ต่อเนื่องอยากไม่เผลอ ไม่มีอยากนำอยู่ที่ไหนถ้่ความอยากมันนำไปวันนี้จะไปกี่โมงอ่ะไปเชื่องกี่โมงอ่ะบ่ายสองอะคอร์สเขาเริ่มเข้าพุ่งนี้ แล้วเขาข้ามมายังไงกันเข้าข้ามมากันเองเลยหลวงพ่อเป็นคนยูโห้อย่างไะว่าให้ข้ามมาเรือนฝั่งนี้ตอนนั้นไปพิเท่เลาวค่าใช้จ่ายมสูงมาก ถ้าเขาไม่รอ้ราคางก็ร่วมร้านค่าใช้ใจ่ยเยอะตึงข่าใหม่เงี้ค่าใช้ใจ่ายเราพอรับไหวเขจัดที่หนองคายอะไรเงี้ยชายแดนเราถ้าจัดที่เบียงจันนะ์มันเมืองหลวงเขาค่าใช้ใจนะ่ายล้วผิดเกินเยอะเลย เราอยาให้เขาจัดบ่อยๆทางโน้นเราพักทบไม่ไหวเมื่อวันเสาร์หรืออาทิตย์วันเสาะ์ที่เห็นคนลาวกลังระตู้มานะพร้มใช้ได้นะพอนาใช้ได้เลยเรข้อสอนถามดูเป็นนีเละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเห็นไปเรื่อยๆดี ถ้าเขารู้เรื่องแนละ้วต่อไปให้เขาสอนกันเองคนจริงก่งเหมือนกันนะเรียนรู้เรื่องแนละ้วต่อไปก็ไปสอนกันเองแต่คาว่ารู้เรื่องของหลวงพ่อเนี่ยคือรู้หลักของการปฏิบัตินะไม่ใค่จะดรู้ได้แต่เปลือกไปไปนั่งขยับมือแล้วก็ขยับได้ถูกแล้วสิบี่จังหวะถูกแล้วไปสอนได้แนละ้วนั่ไม่ได้เรื่องเลย มันไม่ได้แก่นสารสาระอะไรเลยมีแต่เปลือกหรือเดินจงกรมนะได้เท่านี้จังหวะหกจังหวะเจ็ดจังหวนะอะไรไม่มีสาระหาสาระไม่ได้เสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารของเรานะี่ยคือสติสมาธิอะไย่างเี้ยมีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะมีสมาธิ ทำให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาพอสติะระลึกรู้กายรู้ใจนะด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาเนี่ยปัญญาถึงจะเกิดหลงหที่ฝึกอย่างนี้นะไม่เอานะออกมาทำงานมนาะเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วอย่าคิดเรื่องปฏิบัติมากคิดเรื่องรู้สึกตัวไว้พอแล้วอย่าลืมคำว่าปฏิบัติไป คำว่าปฏิบัตินะคนไทยมแต่ว่าทําปฏิบัติงานเนี่ทางานก็จะยิ่งคําว่าปฏิบัตินะเลยทําใหญ่เลยแทนที่จะรู้ว่าจิตมันทําอะไรก็ไปทํามันเสเองคนจีนวันนี้ดีขึ้นนะนี่ก็ดีขึ้นธรรมดาย่อมฟุงฟ้งๆออกไปข้างนอก ใจมันเข้าหาตัวเองให้หนุ่มแล้วนะเราเครียดเกินไปนะการภาวนาอย่าให้มันเครียดเครียดไม่ได้อะไรมันคืออัตตกิลมาฐานุโยคทรมานตัวเองรู้ตัวไปสบายๆเห็นกจมันทำงานเห็นใจมันทำงาน แกฉันจะปฏิบัติแล้วดึงเข้ามาเครียดพิกสุนีแล้วเนะสงสัยรู้ว่าสงสัยไปที่ต้องคนกวาใจจะเป็นไงก็รู้ขณะนี้เริ่มประคองใจให้นิ่งอีกแล้วพวกเราเรียนให้ได้หลักนะ พอรู้หลักแล้วเนี่ยไปบอกต่อได้ถ้าได้เปลือกไปแล้วทำท่านี้ทําท่านี้คล้ายๆฝ่าหลุนโกง <c oughs> <c oughs> ไื่ได้ปรโยชนอะไรหรอก <c oughs> สอนอย่างนี้ในเมืองจีนนะรัฐบาลจีนเขาไม่เอาหรอก <c oughs> เขานึดว่าสอนหมวยอะไรสักอย่างนะหรืยสอนแบบฝ่าหลุนโกงเขากลัวเขาไม่เอา สอนอย่าหลวงพ่อนะเราภาวนาไม่มีใครรู้เลยเราภาวนาของเราใครจะไปรู้ว่าอยู่ในใจเราถ้าเรามีสติมีสมาธนะิรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจอยู่ในกระบอบอะไรอยู่ในรัฐที่อะไรก็ใช้ได้ทั้งนั้นพุทธาแท้ๆไม่ใช่อยู่ที่รูปรักษภายนอก พุทธะแท้ๆอยู่ที่จิตของเราเองใครมันจะมารู้อย่างคนภาวนามไม่เป็นไม่ได้หลักนะไปเดินจงกรมหามล่กหามคำ่ำไม่ได้ภาวนายัางไม่เรียกว่าปฏิบัติเลยมันเรียกทรมานตัวเองเฉยๆเท่านั้นเองแต่ถ้าใจของเรารู้ตื่นขึ้นมาแล้วเรากินก๋วยเตี๋ยวก็คือการปฏิบัติ าน้ำก็คือปฏิบัติวาดบ้านก็คือปฏิบัติขายของก็คือปฏิบัติด้วยการปฏิบัติธรรมจริงนี้มันกลืนอยู่ในชีวิตเราอย่างหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นโยมคนไม่รู้หรอกว่าหลวงพ่อภาวนาเรากลืนอยู่ในโลกธรรมดานี่แต่เรามีสติอยู่ตลอดเวลารู้ทัน แล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีกิเลสจิตที่ยังมีกิเลสมันก็ต้องมีกิเลสแต่เรามีสติรู้ไวๆเท่านั้นแหละหลงแล้วอย่าบังคับไม่ให้หลงหลงก็หลงหลงแล้วรู้ว่าหลงแค่นั้นจบละแล้ ว, ลวพอมันรู้ตัวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันหลงใหม่ก็ค่อยรู้ใหม่เยดีขึ้นเดยอะนะ ดีขึ้นไปได้สมาธิจำเป็นนะถ้าเราใจฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิปฏิบัติไม่ได้จริงสมาธิอยู่ๆไม่เกิดหรอกเราว่าต้องสร้างขึ้นมาหายใจเข้าออพูดหายใจออกโทรอะไรก็ทำไปเรืนะ่อยๆให้จิตมันมีเครื่องอยู่ไว้แล้วก็อย่าไปบังคับจิต ให้จิตมีเครื่องอยู่แล้วก็คอยรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของจิตความปรุงแต่งทั้งหลายของจิตพอเรารู้ทันความปรุงแต่งนะความปรุงแต่งก็ดับตัวความปรุงแต่งเรียกว่าตัวสังขารนะพ้นจัดสังขารเรียก ว, วิสังขารเี็ชื่อของนิพพานเป็นนิพพานเนี่ยพ้นความปรุงแต่งเป็นวิสังขาร อะไรอยู่เบื้องหลังความปรุงแต่งความอยากอยากดีก็เลยปรุงดีอยากชั่วก็ปรุงชั่วไปเะไรที่อยากหลุดพ้นวิธีพยายามจะปรุงความไม่ปรุงจิตที่พ้นความอยากเรียกว่าพิราคาพิราคาเป็นชื่อของนิพพาน ถ้าเรามีราคาะเรามีตัณหาเพืก็เกิดความปรุงแต่งมีความปรุงแต่งก็มีการยึดถือในขันห้ารูปนามจิต ท, ที่วางรูปวางนามเรียกว่าวิมุตต์ก็เป็นชื่อของนิพพานและนิพพานเนี้ยไม่มีตัณหาเรียกว่าวิราคะ นิพพานไม่มีความปรุงแต่งไม่ว่าจะดีหรือชั่วหรือพยายามปรุงกว่าไม่ปรุงนะเรียกว่าวิสังขารนิพพานไม่มีรูปนามในยึดในรูปในนามเรียกว่าวิมุตนะไม่มีอาสวะกิเลสมา ห, ห่อนะนะหุ้มวิมุตจิตเรามีเปลือกหุ้มทีม่อาสวะหุ้มอยู่ฝึกไป ให้ใจออกรู้สึกตัวให้ใจเข้ารู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่รู้สึกแบบแข็งแข็งศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของการนั่งคิดเอาคิดปัญญาแล้วก็สบายใจใจสบายไม่ได้เรื่องเลยมันคือความปรุงแต่งอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง นั่งคิดคิดแล้วใจก็โล่งว่างขึ้นมานี่คือความปรุงแต่งใจมันต้องอยู่กับตัวเองย้อนข้ามาใจที่หลงไปในโลกของความคิดนั้นตะลุยออกไปข้างนอกหลงแฟดีดแฟดนาคไปโน้นไปนี้น้อมกลับเข้ามารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติ มีคนส่วนใหญ่ไปเรียนกรรมฐ า, านยังไม่ได้เริ่มที่ความรู้สึกตัวแต่เริ่มที่เปลือกมือพุทโธสีหายใจสินะขยับมือทำจังหวะดูท้องฟองยุบไม่ได้เน้นที่ความรู้สึกตัวนี้พอจะหัดรู้สึกตัวก็รู้สึกแบบบังคับไปอีกละเครียดเกินไปนะไใช่ไม่ได้ความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติธรรมดาดีที่สุด จะไปคนจีนมามากขึ้นมากขึ้นแนละ้วทีมคนไหนช่วยตรงไหนได้ช่วยๆกันแต่ว่ามันอยู่ในทิศทางเดียวกันเนี่ยใช้ได้คนจีนเยอะขึ้นถึงเวลาก็ต้องขยายทีมนะมนีคนจีนมากขึ้นทุกทีทุกที ทีมเก่าเราไม่พอแล้วอาหารไปทางโน้นไปช่วยกันทำงานดีที่สุดนะช่วยช่วยกันแล้ววันหนึ่งคนจีนคนไหนดีๆก็เลือกมาช่วยด้วยมีประโยชน์นะส่ว น, นคนจีนคนไหนเก่งๆนะเพลงไะไต่อไปเขาไม่ได้ไปสอนในเมืองจีน